ทีนี้เดี๋ยวโยมเลนจะพูดหรือโยมจมพงศ์ก็ได้เชิญเลยก็ถ้ามีคนอธิบายได้ก็ดีครับปัญหา <c oughs> คือว่าเป็นเราในขันห้าขันห้าเป็นเรามันที่หลวงพ่อบอกเลยจริงๆรูปมันก็คือไม่รู้อะไรเลยรูปเช่นสีเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งโต๊ะนี่ครับสมมุติว่าโต๊ะนี้โต๊ะมันรู้อะไรมั่งล่ะถ้าเราจะย่ยยอยไปโต้นี่ก็คือธาตุแข็งอ่ะ แล้วก็มันก็ไม่รู้อะไรแต่ปัญหาคือโต๊ะนี้เป็นของเราหรือทํามองในตัวก็คือร่างกายนี้เป็นเะที่มันไม่รู้อะไรเลยแบบนี้ครับแต่พอเป็นร่างกายของเราก็เดือดร้อนทันทีดังนั้นมันก็เป็นมีเราในขัน้าถ้าเบียบเหมือนกับว่าถ้าเป็นถ้าเป็นขันจริงๆที่ขันตักน้ำเนาะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกฮะพาไปมาตั้งนั้นแต่ขันมันมียางเหนียวเลยที่มันติดกาวอ่ะพอมันติดกาวมันก็เรือยยึดเลยและที่สําคัญขันยึดตรงนี้ มันยึดด้วยความเป็นเราดังนั้นถ้าถ้าเข้าใจเราอย่างแจ่มแจ้งก็มันจะพ้นเราครับขอบพระคุณครับพระญาติครับอย่างผมเนี่ยศึกษาอภิธรรมมา20ปีเนี่ยยิ่งเราเรียนรู้แต่ชื่อแต่สภาพธรรมบไม่รู้แล้วขอยากคือเลยครับก็คือรู้ยากรู้มากยากนานครับ หนึ่งเวลาเรากว่าจใรู้สภาวธรรมอ่ะพุมจิตมีกี่ดวงกี่ดวงสภาวธรรมนู่นนั่นนี่แต่พอเวลาเจอสภาวธรรมเนี่ยมันไม่มีเวลาหรอกครับว่าเหมือนเราตกต้นไม้ที่สูงสูงอะ่ะไม่มานับหรอกว่ามีต้นไม้กี่ใบนักกิ่งกี่ใบามารู้อีกทีตอนกับแทกที่หลักกระแทกพื้นตั้งตุ๊บนั่นแหละเพราะฉะนั้นการรู้อ่าสภาพธรรมน่ยดีในขั้พื้นฐานเพราะปัญญาที่แบ่งมาสามอย่างคือหนึ่งปัญญาขั้นการฟังเนาะสอง ปัญญาขั้นการพิจารณาสมขั้นปฏิปติทรณีคนเราเนี่ยถามว่าอภิธรรมหรือว่าต่างๆที่รูปแตกมา5อย่างเนี่ยทําไมพระเจ้าถึงมี8ปดหมื่นวัธรรมคันพเพราะป็นละเอียดแล้วมันยากนะครับยากมากในการที่จะเข้าใจอย่างนู้นอย่างเนี้ครับแต่ก็เห็นด้วยที่ว่าสิ่งที่ควรจะผมเรียนมายี่สิปีอ่ะผมก็มีผมครับรู้ ร, ร, ร, รู้เอาเข้าใจเข้าใจละเอียดแต่เข้าใจอธิบายไม่ดหมดแต่ไม่รู้ว่าใครไปรู้อภิธรรม อละเอียดและขันห้าใครไปรู้เราไม่รู้สุดท้ายมารู้ว่าอ๋อแล้วไปรู้ตัวเองในประโยชน์ที่สุดพ่อง่ายที่สุดเพราะว่าธรรมะไม่มีภาษาธรรมะไม่มีตัวหนังสืออย่างยุคตัวอย่างนะครับมีดบาดรูปเนี่ยไม่รู้รเลยก็คือรู้ทั้งหมดว่าจะภายในภายนอกอย่างเราเป็นรูปที่มีวิญญาณมีจิตใช่ไหมลองเอามีดไปไปไปแทงศพเด็กแทงสทงทิเขาเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะอะไร เพาไม่มีจิตไม่มีวิญญาณที่อาศัยอยู่แต่ทําไมเราโดนนิดเดียวเราเจ็บเพราะเรามีจิตบางคนเข้าใจผิดว่าต้นไม้มีชีวิตต้นไม้ไม่ได้มีชีวิตมีแค่อุตุาระธาตุลองเอาไม้ไปฟันต้นไม้สิครับต้นไม้ก็ไม่เจ็บสักอันแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือว่าเดี๋ยวนี้ขนาดเนี้ย ข, ขนาดที่คุณหรือผมเนี่ยทําความเข้าใจอยู่อาจจะคิดในใจเอ้ยเอย้อธิบายเลยวะงงเว้ยเอ๊ะทำไมงั้นนะเนี่ยจิตขนาดเนี้ยสําคัญที่สุดเพราะอะไร มันไม่ใช่คมพีไม่ใช่ตำรามันรู้อยู่เดี๋ยวนี้ขนาดนี้คิดอะไรชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้สงสัยก็รู้งงก็รู้อยากจะอธิบายหรืออยากจะเถียงก็รู้ตัวรู้ตรงนี้ใครไปรู้ก็ตัวเราไปรู้จะลืมนะครับว่าขนาดนี้ทุกคนอะสภาวธรรมันที่ได้ยินคือเสียงใช่ไหมครับแต่เราหางมองข้ามว่าไอเสียงที่ปรากฏของเสียงที่แต่ละคนละคนอะใครได้ยินเป็นเสียงถ้าไม่มีหูอะแล้วได้ยินเสียงไหมถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏก็คือภายนอก คือเสียงส่วนวิญญาณรับรู้ทางหูเนี่ยภายในรู้เสียงรู้ปุ๊บแล้วก็จําหมรู้จําคิดลองเอาฝรั่งมาคุยกับเราสิครับมึงพูดอะไรกูมึรู้เรื่องเลยรู้เป็นเสียงสูงเสียงต่าเสียงกลางแต่จําเป็นภาษาภาษาะแต่เสียงเป็นเสียงสภาวะนั่นเป็นเสียงอันนี้เขารู้เหมือนกันแต่ความเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะในมีไม่มีก่อนมีเสียงมีเสียงหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมครับในมีไม่มี ในมีมันมีจริงถึงเสียงแต่มันไม่มีอะไรเพราะมันมีแล้วมันดับไปแล้วกลับมาไม่ได้แล้วก่อนที่จะมีเสียงทุกอย่างมันก็สิ่งที่ว่างเปล่าคืออะไรถ้าเราเข้าใจสภาวะตรงนี้ครับจับหลักได้คือว่าฟังแต่ตรอพิจารณารู้ตัวเองเนี่ยตัวเองเป็นคำพีเป็นขันห้าที่ดูง่ายที่สุดลืมตาลืมตาตื่นจนหลับหลับตาหรือตายไปเนี่ยแม้ทั้งอย่างผมะครับอยู่โรงงานครับผมเนี่ยโอ้โหเข้าใจสภาวะธรรม นุนนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็ยังมีเราอยู่ผมเดินไปโรงงานมีตะไคร่อะลื่นขนาดที่ลื่นขนาดนั้น่ะนนความตกใจหรือว่าสภาวะธรรมตรงนั้น่ะมันไม่ได้ตั้งตัวที่จะตั้งคิดว่าจะรู้จะอะไรแต่มันเห็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูว่าเราออกมาว่าพื้นเนี่ยเนาะพื้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกรู้ที่มันแข็งและเท้าเราก็เป็นรูปชนิดหนึ่งที่มันอาศัยได้วิญญาณจิตมันขนาดหนึ่งที่เข้าไปรู้ว่าสิ่งที่มันเลื่อนออกไปลื่นออกไปเนี่ยแต่ขนาดนั้นไม่ได้ตกใจนะมันเห็นสภาวะสิ่งที่ว่ามันรู้ ตัวนี้ครับประโยชน์ที่สุดครับผมมีความเห็นตรงนี้ครับคือเราเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกต้องไหมครับเราเป็นสาวกเราเรียนตามคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการศึกษาก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทถ้าเราเรียนปริยัติแล้วเรามาปฏิบัติขออนุญาตครับผมก็เรียนมาแบบนี้เหมือนกันน้องก็เรียนไหมแล้วก็ถามว่าจริงๆผมกับน้องก็ต่างฝ่ายต่างเรียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวท เป็นเราเรียนต่อเมื่ อ, อไรนะครับที่เราถูกเรียนม้างอ่ะการที่จะศึกษาจะทําของเข้าใจใช่ไหมครับมันก็คือต้องเข้าใจทางปริยัตปฏิบัติปฏิเวทแต่ทีเนี้ยพอเรามาปฏิบัติแล้วเราเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราไม่สามารถจะตัดสรุปได้เองที่ผมเข้าใจครับก็คือเราก็ต้องไปศึกษาปริยัติทีเนี้ยถ้าเกิดไอ้การปฏิบัติแล้วเนี่ย แล้เราบอกว่าการปฏิบัติแล้วเราไปเห็นมากกว่าขันธ์ห้ามันไม่ตรงกับปริยัติหรือเราปฏิบัติของเราไปเองเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องมันเป็นสมาติทิิเป็นความเห็นที่ถูกมันจะไม่คาดเคลื่อนมันจะไม่ผิดพลาดเราก็ต้องศึกษาตามคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาเราปฏิบัติแต่เราว่าไม่ศึกษาตามคําสอน เราบอกว่าเราต้องทำอย่างนี้เราต้องรู้แล้วพอผมถามว่าไอ้ตัวที่รู้หรือไอ้ตัวที่ไปยึดว่ามีเราครับเมื่อกี้ผมถามกรณีที่คนที่มีปัญญากับคนที่ไม่มีปัญญามีเราไปเจ็บใช่ไหมครับกับมีปัญญาไม่มีเราไปเจ็บผมก็ได้ถามาไอ้ตัวที่มีเรามันคืออะไรในขันห้าก็ตอบว่าเป็นอวิชาคือแต่ผมจะแต่ว่ามันก็คือไม่ใช่ขันห้าผมเข้าใจถูกใช่ครับ พุทธเจ้าสอนว่าเราอะตัวเราเองมีแค่รูปกกนานำะมีแค่แันห้าแสดงว่าไอ้คําสอนเรื่องอวิชามันก็คืออยู่ในเราอย่างนี้แหละครับหรือว่าการศึกษาของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอิง ก, กับคําสอนไม่จําเป็นเราสามารถจะตัดสู่ได้เองอย่างนี้เหระครับแค่ปฏิบัติของเราไปไม่ต้องไปศึกษาตามคําสอนสาารสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนั้นเหระครับก็อย่างที่โยมพูดมาเนาะพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาน อการที่เราเห็นความจริงเบื้องต้นนะมันก็ต้องเห็นการด้วยการเรียนรู้การศึกษาก่อน อ, อย่างโยกก็อาจจะเกิดจากการอ่านหนังสืออ่านตำราอ่านคมภีร์อันนี้ก็เป็นตัวอักษรก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ทิ้งก็ควรเรียนรู้นะก็เหมือนเราถ้าเราอ่านผ่นที่ไม่ออกเราก็จะรู้ได้อย่างไรการต้องอาศัยสิ่งสมมุติเป็นเบื้องต้นนะด้วยการอ่าน แต่เมื่อเราอ่านแล้วเราก็มาฟังสภาวะของผู้ที่แสดงทำประสบการณ์ของผู้ที่มีสภาวะนะเพราะว่าในคำพีในตำราเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้ภาษาได้มันใช้ภาษาโดยก็เรียกจิตสื่อจิตและภาษาจิตนะก็ะคือประสบการณ์ผู้โดยตรงบางทีก็มีท่านบวยล่างนะ หรือว่าท่านหลวงปู่หลวงปู่สังวานเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อสนองพุท ธ, ธบุญโยวัดสังฆทานอ่านหลวงปู่สังวานก็อ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็เขียนก็ไม่ได้นะถามว่าคนอ่านหนังสือออกกับเขียนไม่ได้น่ะคนหนึ่งอ่านพูดภาษาอังกฤษได้สิบภาษานะแต่หลวงปู่นี่พูดได้ภาษา อ, า อ, า made, function, อา่านทยภาษาเดียวอ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ไม่ใช่ครับประเด็นผมคือว่าแต่ว่าถ้าไปแต่ว่าปริยัดไม่ตรงกันครับประเด็นคือมันถูกหรือเปล่ามันจะสมารถยอมฟังหรือเปล่าอ๋อยมฟังให้จบก่อนเนาะมันต้องฟังให้จบก่อนงั้นงั้นถามว่าคนอ่านหนังสือกับคนอ่านกิเลสออกเนี่ยคนไหนเนี่ยจะเข้าใจมากลึกซึ้งมากกว่ากัน ที่ผู้อาจารย์อธิบายให้เข้าใจว่าเมื่อเธอเนี่ยมีผัสสะมากระทบเนี่ยขนาดรู้ไ่มตอนนี้ยจิตของยอมเกิดโทสะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจรู้หรือปะตอนนี้อะไรเกิดขึ้นขนาดนี้เดี๋ยวเนี้ต้องเป็นผูดตรงนะถ้าเขาไม่ตรงคําถามเรามันก็เกิดความไม่พอใจมีความย้อนแย้งมีการเหลื่อมล้างมีการตัดสินว่าเราถูกเขาผิดนะแล้วเราถามว่าใครล่ะเป็นผู้ถูกและใครแหละเป็นผู้ผิดนะ ่เมื่อเธอมีผัสสะมากระทบเนี่ยเห็นรูปจะได้ยินเสียงเนี่ยให้สังเกตเนี่ยเห็นว่าว่ามีว่าเราเห็นเราฟังเราพอใจหรือไม่ไม่พอใจเนี่ยตอนเนี้ยอมเห็นไหมว่าสภาวะที่กําลังคุยกันอยู่เนี่ยเนี่ยยอมมีความพอใจหรือไม่พอใจใ่ยตอบผ้าจานซิเนี่ยตอนเนี้ปวด ต, ง ต, งตงรงเตาไม่พอใจรู้สึกว่าผมถามอย่างก็ตอบอย่างเนี่ยครับเหมือนคุยเลือก อระนี่พระอาจารย์ถามว่าถ้ายมไม่มีสติยมจะรู้สึกได้ไงว่าโยมโกรธเนี่ยของสติไหมสติแบบไได้ตั้งใจเนี่ยคือชาพาว่ามันอยู่แล้วคือการสนทนามันคือการสื่อสารถูกต้องไหมครับถ้าเกิดหนคนพูดหนึ่งประเด็นอีกคนนึงตอบอีกหนึ่งประเด็นการสาาื่อสารก็ถือว่าการสื่อสารที่ล้มเหลวถูกต้องไหมครับก็มันเหมือนกับคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษ็เหมือนกันแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะ นะเมื่อเธอนะ่ะมีสภาวะอยากมีปักษามากระทบนะได้ยินเสียงให้เราสังเกตว่าเราได้ยินเสียงแล้วเกิดเราเห็นเราเห็นหรือว่าเห็นเราหรือเปล่าเราเราเห็นว่าการที่เห็นเราเนี่ยมันเห็นกิเลสถ้าเราเห็นที่เราเห็นกิเลสเขา เ, เห็นความเนี่ยกันแน่เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเราเห็นเนี่ยก็จะไม่มีก็จะไม่รู้สึกตัวมันก็หลงไปกับสิ่งที่ถูกรู้ แล้วก็เอามาเป็นอารมณ์โดยที่เราไปยึดติดเอาตัวผู้รู้นะ่ะคือจิตน่ะจิตมันเป็นหน้าที่ประลับรู้กับสิ่งถูกรู้เนี่ยแล้วก็เอาสิ่งที่ถูกรู้เป็นเสียงที่ไม่ได้ดังพอใจมายึดตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งมันก็จริงให้เกิดรคจิตนั้นเนะี่ยมันมีความอารมณ์มังความพอใจไม่พอใจเนะี่ยะเมื่อใดเนี่ยแต่เธอไม่หลงเนาะแล้วก็ไม่ไปกับสิ่งที่กาลังปรากฏได้แล้วเนี่ยเธอก็ย่อมเป็นผู้ที่ อ่ารู้เท่าทันสภาวะมันก็เข้ากับว่าทุกผู้สภาวะที่มากระทบเนี่ยขนาดเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยก็จะรู้นะก็เรียกว่ารู้เราหรรู้ว่าเราเออมันมีตัวตนแล้วนะมีเห็นอัตตาเห็นกิเลสแล้วนะในปัจจุบันขนาดว่ามันไม่มีเราจริงๆมันไม่มีเราตอนที่เรารู้เท่าทันมันเนี่ยะถ้าเราไม่รู้สึกตัวมันก็จะมีเราโต้เถียงมีเราขัดแย้งมีเรามันต้องดูที่จิตนะลูกเพราะว่า ตำราเอาสภาวะมาคุยกับตำรามันคุยมันโต้เถียงไม่คือสภาวะมันไม่ต้องใช้เหตุผลมันใช้สภาวะประมาตตจักะคือขนาดนี้โดีนี้ถ้าเอามันก็เถียงกันไม่จบแต่เราไม่ได้โตเถียงนะมันเอาสภาวะจิตสื่อจิตนะ่ะเอาตัวรู้สึกขนาดนี้ยสิ่งที่เห็นได้ยากคือตัวตัวเราเนี่ยอะรู้เรารู้สึกตัวไหมนาการที่เราพูดเรารู้สึกตัวไหมเนี่ยจิตมันก็มีสภาวะอ่าระหว่างนะ พอใจกับไม่พอใจนะั่นแหละเราเห็นความไม่พอใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่พอใจถนะ้าขนาดที่โกรธเราห้ามได้ไหมนะ่ะโกรธนี่ห้ามได้นะโยมขนาดเนี้ยไม่พอใจมันก็ห้ามไม่ได้อพอใจก็ห้ามไม่ได้สิ่งที่ห้ามไม่ได้ควรหรือว่าเป็นเราเนี่ยอ่ามันก็ไม่ควรนะนะแต่เราเป็นผู้ที่ศึกษาเพราะว่าสิ่งที่โกรธมันก็ก่อนที่มัน ก่อนที่ยมจะฟังมันก็ไม่เกิดความโกรธมันก็ว่างอยู่แล้วเนี่ยพอเราโกรธขึ้นมามันก็ไม่ว่างจากตัวเรางั้นรอาจารย์บอกว่าการสนทนาธรมมันต้องไม่มีตัวตนเข้าไปฟังไม่มีตัวตนก็ไปพูดพูดแบบอิสระภาพคือพูดแบบความจริงเนี่ยความจริงมันไม่มีเราอยู่แล้วในขนาดเนี้ยเดี๋ยวเนี้เพราะอะไรว่าความโกรธก่อนที่ความโกรธของเราจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้โกรธนะสภาวะแรกไม่โกรธ อีกสภาวะหนึ่งโกรธมันเหมือนกันไหมอ่าสิ่งที่ไม่เหมือนนั่นแหละเขาเรียกสภาวะมันเกิดแล้วเนี่ยขนาดนี้เลยเนี้ยให้เราสังเกตดูที่จิตลูกจิตดวงก่อนมันไม่โกรธพอจิตดวงที่สองโกรธงั้นแสดงจิตนี้เที่ยงเดี๋ยวไม่เที่ยงเนยให้ดูตรงนี้ลูกมันจะมันมีคุณค่ามากกว่านะลูกนะตัว น, นี้ยอาจารย์ว่านะอารจะมีเสริมมั่งลูกพุทธัทงสรารนางคะฉามิธรรมังสรารนางคะฉามิหากท่านไม่ มีพระพุทธพระธรรมเป็นพระสงฆ์เป็นสลณะท่านเห็นว่าความเห็นของท่านถูกต้องแล้วดีแล้วไม่มีพระพุทธพระธรรมเป็นสลณะเป็นที่พึ่งเห็นว่าความคิดเห็นของตัวเองถูกแล้วก็น่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องครับเอาเดี๋ยวพระอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเนาะอ่าอ่าตอนนั้นที่พระอนนท์เป็นพระหุสูตรพระอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งอ่าถ้าเกิดไม่มีพระ อนนน์เนี่ยโยมก็ไม่สามารถที่จะมาเรียนรู้อาพิธรรมศึกษาธรรมานิได้เลยนะพระพระอนนน์นี่เป็นพระหูสูนเป็นผู้ที่รู้อัตถกถาทั้งหมดเลยถ้าไม่มีอนนน์นี่เราจะจําไม่ได้เลยนะอืแต่เชื่อไหมว่าตอนที่พระอนนน์เนี่ยอที่ก่อนที่ท่านจะไปสังขยาสัตเนี่ยท่านต้องบําเพ็ญเพียรก็แล้วอะไรก็แล้วเพราะท่านก่อนที่พระพุทธเจ้าหมดบุญไปเนี่ยพุทธเจ้าบอก อาโนนหลังจากเราติ้นไปแล้วเนะี่ยเธอจะได้เป็นพระอรหันต์องค์ต่อไปอาโนนก็มั่นใจแหละแต่นี้ท่านมหาสักรปะหรื อ, อไรเนะี่ยอาจารย์ก็จะมาได้นะข้นนิ ม, มนต์ให้ไปแต่ต้องเป็นพระอรหันต์เท่า น, นั้นนะถึงอยากขึ้นไปร่วมอาสักยานาันเขียนคำมพียรตำราที่ยมเรียนมาเนี่ยตั้งสองพระเปนหมดปีเนะี่ยก็ปรากฏว่ายมเชื่อไหม อันนี่เป็นเจ้าของบระพูสูตรนะเป็นผู้ที่จดจําทุกถ้อยคำถ้าฐานะไม่ไม่ผิดพี้ยเลยลงก็คือตำพีตำราเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้เขียนสาวกเราเป็นผู้เขียนคือจําแล้วมาเขียนแต่พอผู้ที่เป็นเจ้ากำลังที่ให้พวกเราได้คือพระนนนเียแต่พอพระนลนจะบรรลุธรรมอะปัมพีนเดินชงกรมกันแล้วหนั่งสมาธิก่อนแล้ว ไ ม, ไม่ได้มีแต่เราไปทํามีแต่เราจะได้เอาตำลงตําราที่จํามามันไม่ได้สักทีไม่ได้สิเอ้เราก็พิจารณาหมดตอนนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาละพอช่วงที่หาพระอนนท์ใจเอ็งลงหัวไม่ทันแตะหมอเลนะั่นลูกนะเท้ายังไม่ถึงยังไม่เอ็นถึงเตียงปรากฏว่าเป็นพระอาหารบรรลุธรรมเลยท่านวางสภา ว, วานะนี่อันแสดงว่าคำพีตําราที่เธอพูดมาทั้งหมดเนะี่ยผู้ที่เป็นต้นตําำลาที่ให้พเราเขียนนะั่คือพระอนนท์ ทำไมอ น, นุนึงฉีกทิ้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้ใช้สักอย่างมันเป็นสภาวะหลกคือขนาดนี้เดี๋ยวนี้แหละรู้อะไรก็ไม่เท่ากับรู้เราแบบเบอกเซนแบบรู้ทีจริงรู้หมดแต่ถ้าเรามารู้ว่ามีมีตัวมีตนเราจะไม่รู้ว่ามีตัวมีตนมันมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เมื่อใดเรารู้ว่ามีตัวมีตนการผูกทุชนเนี่ยย่อมเห็นกิเลส ข, ของผู้อื่นอริยบุคคลย่อมเห็นกิเลสตน ทุกมีให้รู้เนี่ยทุกเกิดที่ไหนทุกมันเกิดที่ใจของเราแล้วตอนนี้ขณะเนี้ยทุกเกิดที่ใจของเรานะมันไม่ใช่ทุกอยู่ที่คนอื่นพูดไม่ได้ดังใจเราอันนั้นเป็นวิบากกา ร, รเบียนผลของกรรมเราไม่รู้แหละเวลาไฟไหม้บ้านเรายอมดับที่ไหนก่อนมันก็ต้องดับบ้านเราก่อนติลกุกมันไม่ใช่เราไปดับคนอื่นนัก็ต้องพูดให้เหมือน กนันต้องเป็นมันก็งเราเรื่องอริยสัจ ส, สี่ทุกมีให้รู้ทุกเกิดที่ใจของเราสุขใจทุกใจเนี่ยเห็นมาแล้วตัวนี้ว่าขนาดเนี่ยใจเราทุกเนี่ยเห็นไหมแล้วก็รู้ว่าเหตุอย่างทุกเพราะอะไรอ๋อมันทุกเพราะสัญญาไปติดสัญญาต้องไปคาดหวังต้องมีแรงปรัถนายอมว่าคนที่ยอมรับความเป็นจริงกับคนไม่ยอมรับตามความเป็นจริงอ่ะพระพุทธเจ้าอ่ะท่านสอนให้เราเป็นผู้ละหรือผู้ยึดนะลุก การมาสูตท่านถอนไม่ว่าแม้กระทั่งผู้แสดงทำก็ไม่ควรพูดท่านคนเชื่อแม่อาจารย์พูดเธอก็ไม่ต้องเชื่อแม้กระทั่งตำพีตำลาแม้ พ, พวกทุกสิ่งไม่ควรเชื่อเลยสิ่งที่ควรเชื่อคือเลยพระเจ้าบอกว่าพิสูจนทั้งหลายสิ่งที่เธอควรเชื่อจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิดเธออย่าเอาสิ่งใดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย เพราะความทุกข์อยสัตสี่มันเกิดที่ตัวเราจักสุดวงตาเกิดขึ้นแล้วกับเรามันไม่ใช่จักสุดวงตาเกิดขึ้นแล้วกับตำราจักสุดวงตาเกิดขึ้นแล้วกับอาจารย์โน้นอาจารย์นี้แม้ต่อหน้าเธออยู่ทะฐาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเธอจับปลายจีวรของตัาคตเธูกจ็จะบอกนี่ไะมนุษย์น้อยเราก็เป็นแค่สิ่งสมมติ แล้ที่ตำราคำทีมันก็เป็นแค่สมมติบัญญัติรัสภาวะจริงคือขนาดเนี้เดี๋ยวเนี้เธอเป็นผู้เห็นหรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าต่อให้เธอศึกษาธรรมะมาร้อยปีอ่านจนชำนิชำนาญตอบได้หมดแต่ถ้าบุคคลคนหนึ่งเพียงแค่วินานทีหนึ่งเพียงแค่ไก่กระพือปีกงูแลบลิ้นช้างกระดิคู น้ำเมื่อสาหยดที่ผิวหน้าดังตุงต้มเตยเห็นความเกิดดับของไก่กระตือปีกเห็นความเกิดดับของน้าที่มันหยดเนี่ยขนาดเนี้ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยพระเจ้าบอกว่านี่นะ่ะพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลที่เห็นความเกิดดับคือตั้งแต่เดียดขนาดนี้เดี๋ยวนี้เป็นผู้ที่หาประโยชน์ได้นะบุคคลที่อ่านตําราคมภีย่อมเป็นโมคะบุรุษคือหาประโยชน์ไม่ได้เลย หาประโยชน์ได้คือไม่ได้อ่านตําราเก่งพูดธรรมะเก่งนะลูกนะมันเก่งตรงที่ผัดจ่ากระทบเนี่ยขนาดที่ฟังเนี่ยมันมีตัวกระทบว่ามีตัวตนไปยึดไหมถ้ามันยึดเขาวัดกันที่ผัดกนะเนอะลูกนะพัดว่าเมื่อใดมีการกระทบดูว่าสองตัวเรามีพูดยึดหรือผู้ละนะถ้ากระทบมาอาจารย์ก็ละเพราะมันเป็นขันห้าขันห้าทํางาน ถามพระหลวงปู่หลวงปู่โกรธไหมหลวงปู่ก็โกรธอ้าทําไมเป็นพระอรหันต์โกรธนะก็ขันห้ามันโกรธรขคาไม่โกรธจะมั่นเนี่ยเข้าใจไหมลูกก็ของตอนนี้แหละนะขอเข้าใจท่านขอขอนุญาตครับผมขอขอคือคือเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกลุ่มเนี่ยผมเกิดสภาวะทำตัวหนึ่งเนาะไม่ใช่ผมแหละคือพูดได้ด้วยความรู้ปลอมแหละผมถามในกลุ่มเนาะแล้วก็ทุกท่านด้วยว่าขนาดเนี้ย ความเห็นกับการเห็นเนี่ยความเห็นนะกับการเห็นเนี่ยความเห็นกับการเห็นขนาดนี้ยต่างกันยังไงเข้าใจยังไงอธิบายหน่อยครับนี่หัวข้อขอบคุณมานน้องที่ทำให้เห็นสภาวะธรรมครับคำว่าความเห็นกับการเห็นขนาดนี้ยต่างกันยังไงครับจากไปเห็นครับใช่ที่ผมพูดอ่ะมันคือเรื่องความเห็นถูกต้องครับเพราะการที่เราเห็นสภาวะธรรมเนี่ยมันจะทําให้ความเห็นเนี่ยมันถูกต้องมากขึ้นเพราะว่า อ่อย่างความเห็นเนี่ยครับมันจะเกิดจากประสบการณ์แล้วก็การศึกษาตำราไม่ว่าจะเป็นฟังอ่านคือปริยัติถูกต้องไหมครับพอมาปฏิบัติเราได้ไปเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นจริงความเห็นเนี่ยมันก็จะถูกต้องมากขึ้นแต่ถ้าเรา ไปในทางที่ผิดหมายความว่าปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติผิดถ้าตําราบอกว่ามีขันห้าแต่พอเราปฏิบัติไปในขันหกอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องตามหลักเนี่ยความเห็นมันก็จะเห็นผิดกับคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยครับเพราะว่าเราไปเห็นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าอาจจะสอนไว้ก็ได้ครับว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมาเรียกอย่างอื่นจริงๆมันก็มีแค่เพียงขันห้า แต่พอเราไม่สนใจคําสอนพระ ส, มสัมมาสัพพุทธเจ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นดีแล้วเชื่อว่าสัญญาที่เรารู้เราจําได้ที่เรารู้ที่เราเห็นเนี่ยดีแล้วสุดยอดแล้วไม่ฟังคําสอนพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี้ยครับมันก็จะเป็นอย่างที่เราคุยกันอย่างนี้ยครับผมถึงบอกนะครับว่าความเข้าใจอะความเห็นที่ถูกต้องประเด็นที่ผม ยกขึ้นมาคุยอะครับไม่ใช่ตำราจะเป็นความเห็นความเห็นเกิดจากประสบการณ์รวมทั้งการศึกษาตำราด้วยและการฝึกการปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นการขับรถเนี่ยครับเราอ่านเราอ่านหนังสือเพื่อจะเตรียมขับรถอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีความเห็นอย่างหนึง่งพอเราลองขับรถไปห้าปีความเห็นเราก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งที่ผมคุยคือเรื่องความเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องครับ แต่ผมได้รับคำตอบก็คือไม่ต้องไปสนใจหรอกก็สิ่งที่เราควรสนใจเนอะคือสภาวะที่เป็นจริงเนกะือขนาดเนี้นะสามารถต่อเถียงได้คือท่านพระเจ้าเป็นสมมุติโดยสัจจานะลุกนะบอกว่าในโลกเนี้ยมีอะไรบางที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปอยองก็ตอบมาเยยก็บอกอมีแต่ความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นแหละดูกทาทั้งหลายสิ่งที่ควรเห็นความเกิดดับไม่ใช่สิ่งภายนอกนะ สิ่งที่ควรจะรู้เท่าทันของสิ่งคือภายในของเราเนะี่ยการรู้จักเรากับรู้จักเขาเนี่ยมันมันแตกต่างกันมากการที่รู้จักเรามันเห็นเราไม่เที่ยงเห็นเราเสื่อมสลายเห็นเราบังคับไม่ได้เนี่ยควรหรือว่าเป็นเราเนี่ยถ้าขณะที่เราพูดแล้วก็สังเกตว่ามีเราก็าไปพูดไหมเนี่ยมีตัวตนเข้าไปพูดไหมถ้าเรามีตัวตนเข้าไปพูด มันก็ปเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลเหตุผลเป็นเรื่องความคิดนะลูกแต่สภาวะของความจริงมันไล่เหตุไร่ผลเพราะมันไม่ต้องใช้เหตุผลอย่างเช่นความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงจากตำราก็อาจจะอ่านเข้าใจจากการเขียนความไม่เที่ยงเขียนมีตัวอะไรมั่งเนี่ยความไม่เที่ยงจากคำพูดของผอาจาร์เนี่ยก็พูดออกไม่เที่ยงจากคำพูดอย่างนี้ไม่เที่ยง แต่อีกสภาวะหนึ่งไม่ต้องความไม่เที่ยงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนตัวหนังสือมันต้องพูดจากปากปอาจารย์แต่มันเป็นประสบการณ์โดยตรงของคุณโยมเนี่ยขอมันไม่เที่ยงอย่างนีง้จริงๆรู้อย่างยิบเงียบรู้อย่างชื่รู้โดยที่ไม่ได้อีบปากแต่สภาวะนั้นก็ยังดำรงอยู่สัมผัสโ ด, ดยใช้ความรู้สึกเอาตัวผู้รู้ไปสัมผัสสิ่งที่ถูกรู้คือสภาวะไม่เที่ยงคือกระนั้นเะนี่ยขณะที่เธอพูดมันก็มีความเกิด พอเธอหยุดพูดมันก็มีความดับเห็นความไม่เที่ยงวะเนี่ยเห็นหรือว่าตัวเนี้ยเห็นหรือยังยังไม่เห็นอย่างนี้มีประโยชน์มากกว่านาะเห็นปัจจุบันเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะมันเห็นเห็นปัจจุบันทุกท้อยขามันดับไปเห็นเราดับเนี่ยดีกว่าละเห็นคนอื่นหรือเห็นเราดับเนี่ยมันมีประโยชน์แต่เราเห็นคนอื่นเขาดับมันไม่มีประโยชน์นะสิ่งที่ควรดับก็คือตัวเราเห็นสภาวะขันห้าทํางาน มันอ่ะมันมันดับทุกพูกทุกคําทั้งกุศลอกุศลเมื่อเกิดดับเกิดดับเกิดับคนเราเนี่ย <c oughs> มันไม่มีใครรู้มากกว่าใจเราหรอกลูกใครจะพูดถูกพูดผิดเหมือนคนเรานะลูกนะทำชั่วหรือทำดีคนทำดีอาจ บ, บอกว่าทำชั่วคนทำชั่วอาจ บ, บอกว่าทำดีก็ได้คนยึดถูกก็บอกว่าเราถูกหรือผิดจะถูกจะผิดรู้อยู่กับใจ เหมือนเราเนะี่ะชั่วหรือดีรู้อยู่ที่ใจว่างหรือไม่ว่างก็รู้อยู่ที่ใจเหมือนเราตอนนี้ใจของเราว่างหรือไม่ว่างอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าเธอว่างหรือไม่ว่างใครจะรู้ดีมากกว่าใจและใครจะรู้ได้ว่าเราเป็นผู้ยึดหรือเป็นผู้ละละขนาดนี้ยถ้าเธอรู้ว่าเธอยึดนั่นแหละเป็นผู้รู้แล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็น มันไม่ใช่รู้เห็นตามความประสงค์อย่างที่เราต้องการต้องเป็นเนื่อนไขต้องได้นู้นเัินสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมันเป็นจันลักษณ์ของอัตลักษณ์ของอุปทานตัวตนโดยไม่รู้ตัวนะการที่เราเห็นไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละเห็นตนบังคับไม่ได้เนี่ยโกรธก็บังคับไม่ได้ดีใจก็บังคับไม่ได้เห็นความเกิดดับทุกถ้อยคำที่มีการสนทนาธรรมแต่ละคําเนี่ยมันมีคุณค่าตรงนี้เนี่ยเพียงวินาทีหนึ่งก็น่าชื่นชม เป็นผู้หาประโยชน์ได้นะประโยชน์เราประโยชน์ท่านนะงั้นสิ่งสำคัญสิ่งที่ควรเรียนรู้ให้มากที่สุดมากกว่าตาำราคือความจริงคือขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้ความจริงที่กําลังปรากฏต่อหน้าเธอเธอกับมองไม่เห็นอุ ป, ปมาอุปไมเหมือนมีคนมาถามพระ อ, อาจารย์ว่า <c oughs> มีอาจารย์ไหนที่พูดธรรมะได้ลึกซึ้งเนี่ย พระเจ้าต่อให้บอกถ้าต่อให้เธออยู่ว่าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกเราก็เป็นแค่สิ่งสมมุติตาเนื้อ <c oughs> ก็เลือกต่อให้อุปมาอุปมาเหมือนบุคคลคนหนึ่งตาบอดเราเอาสีขาวให้เขาจับเขาไม่สามารถมองว่าสีนี้คือสีอะไรเขาว่าคาดเดาว่ามันเป็นสีที่เขาต้องการทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่สีนั้นอย่างที่เขามองเห็นเพราะเขาไม่ได้มี ตาที่จะเห็นแค่มีแค่สัมผัสที่ไปสัมผัสแต่ไม่มีตาที่จะไปเห็นมันคือก็ยังผูรรร้รู้อ่ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เลยรู้เห็นตามความเป็นจริงขนาดนี้เดี๋ยวนี้นะรู้ผู้รู้ผู้ตื่นเลยตื่นจากสิ่งที่มันปรากฏตื่นจากความคิดตื่นจากความปรุงแต่งทั้งหลายนะสู่ความไม่ปรุงแต่งนะ ผู้รู้ผู้ตื่นเพื่อเธอรู้ว่าเธอเป็นผู้ไม่ไปปรุงแต่งกับสิ่งที่ถูกรู้เนะี่ยผู้รู้คือจิตสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์เมื่อใดเธอเอาทั่วผู้รู้ไปรับรู้สิ่งที่ถูกรู้เกิดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งของความพอใจหรือไม่พอใจแล้วเธอหลงเนะี่ยมันหลงเมื่ อ, อไหร่มันจะมีคําว่าเราเราถูกแล้วก็เราผิดเราชนะเราแพ้ ต่อให้คนถูกก็ดีคนผิดก็ดีคนแพ้ก็ดีคนชนะก็ดีสุดท้ายมันก็ดับนะมีอะไรม้างในโลกนี้ที่มันไม่ดับความเกิดดับเนะี่ยสิ่งที่เกิดดับเป็นของโลกเนะี่ยเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเราเห็นหรือยังเบื้องต้นของความเกิดดับคือความไม่เที่ยงเบื้องต้นของความเกิดดับคือความเสื่อมสลายไปที่สุดก็คือเบื้องต้นของที่สุดเลยก็ ค, คืออะไร มันบังคับบัญชาไม่ได้นะเราเห็นความบังคับบัญชาไม่ได้ของกายเห็นความบังคับบัญชาไม่ได้ของใจหรือยังถ้าเรายังไม่เห็นมันก็จะมีเราเราเราแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยตอนเนี้ยสติเกิดขึ้นแล้วกับเธอรรี่ยังเป็นผู้ที่มีสติก็จะเป็นผู้ที่พูดโดยที่ไม่ใช้อารมณ์ใช้ปัญญาเอาความจริงมาคุยกันถ้าเราใช้เหตุใช้ผลเป็นสัลาณ์ของอารมณ์ทั้งหลายเราเป็นผู้มีปัญญาควรใช้สติคุยกัน ตั้งมันด้วยความเป็นกลางคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะว่างจากคํามีตัวตนเข้าไปพูดว่างจากไม่มีตัวตนเข้าไปตัดสินนะคนพูดถูกคนพูดผิดมันก็ตายเหมือนกันมันกระดับเหมือนกันนั่นแหละทุกคําพูดที่พระอาจารย์พูดเธอมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปแล้วบังคับมาได้ดยควรหรือว่าเป็นเราควรหรือว่าเป็นเขาแต่ถ้าเรายังหลเงเดินตะตุไม่รู้ตัว ก็จะมีคำว่าเราโลกจะมีว่าเขาคือมีเราถูกมีเขาผิดโต้กันไม่จบนะคุยอย่างนี้ก็ไม่จบนะก็เพียงแค่นี้แหละลูก